เรื่องกรุงแตกของพลตรีหลวงวิจิตวัฒการบทที่8อวสานแห่งกรุงศรีอยุธยาราชวงศ์ที่มีเจ้านายชนิดสมเด็จพระสุริยาอาอมรินเจ้าฟ้าจีดและกรมมือหมื่นเทพพิพิธเชน่นนี้ที่นำความล่มจมมาให้แก่กรุงศรีอยุธยาทางในกรุงไม่มีหวังที่จะเอาชนะพะม่าด้วยการสู้รบความหวังอย่างนั้นได้หมดสิ้นไปนานแล้ว มีแต่ความหวังความช่วยเหลือของเทพเจ้าเขาพูดกันในหมู่พวกคนใหญ่คนโตว่าฤดูฝนจวนจะมาถึงแล้วพมา่าจะต้องเลิกทับกลับไปเองความหวังของเขาก็มีเหตุผลเพราะว่าศึกพมา่าไม่กล้ายอยู่ค้างฤดูฝนเท่าที่เป็นมาแล้วถ้าตีกรุงไม่ได้จนกระทั่งถึงฤดูฝนก็ต้องถอยทับกลับทางกรุงจึงหวังความช่วยเหลือของพระพิรุณเทพเจ้าสวดมนต์ภาวนาขอให้ฤดูฝนมาถึง แต่พม่าเที่ยวหาที่ที่เป็นโคกเป็นเนินพื้นที่กรุงศรีอยุธยาเป็นที่ราบไม่มีเนินเขาหรือเนินดินอยู่ในเขตกรุงพื้นที่ที่จะสูงกว่าที่อื่นคือที่วัดซึ่งเราก่อพระทรายขนทรายเข้าวัดกันทุกปีทํามาหลายสิบหลายร้อยปีพื้นที่วัดก็สูงกว่าที่อื่นพม่าจึงเข้ายึดวัดทั้งหลายเอาเสบียงอาหารสันพวุธและสัตว์พาหะไปเก็บไว้ก่อน แล้วก็เกณฑ์ริบเรือทั้งหลายเท่าที่จะหาได้เตรียมไว้มากมายหลายร้อยลำเป็นอันว่าพมา่าไม่หนีฝนและความหวังในการช่วยเหลือของพระพิรุณเทพเจ้าก็เป็นอันหมดไปแต่ก็มาเกิดข่าวดีขึ้นอีกอย่างคือเมื่อพมา่าเตรียมการตั้งทาศึกค้างฤดูฝนสำเร็จเรียบร้อยแล้วมังมหาราชาแม่ทัพฝ่ายใต้ของพมา่าได้ป่วยถึงแก่ความตายที่ค่ายซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านสีกุก ข่าวนี้เข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาด้วยความปีติยินดีขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งกราบบังคมทูลแด่คุณหลวงขี่เรื้อนว่าด้วยพระบรมเดชานุภาพบุญญาธิการแม่ทัพพม่าตายไปคนหนึ่งแล้วขุนนางอีกคนหนึ่งกราบบังคมทูลว่าเรื่องก็จะต้องเป็นอย่างเดียวกันกันกบเมื่อครั้งก่อนพระเจ้าอลองพยาสู้พระบารมีไม่ได้ต้องถึงแก่ความตายและพม่าก็ต้องเลิกทัาบกลับไป ครั้งนี้ก็คงเป็นเช่นเดียวกันแล้วเขาก็หวังคอยในบุญญาพินิหารคอยความช่วยเหลือของเทพเจ้าแต่เขาไม่รู้ว่าเทพเจ้าจะไม่ช่วยคนที่ไม่ช่วยตัวเองแล้วเรื่องที่มังมหาราธามาตายลงนั้นก็ไม่ได้เป็นผลดีแก่ไทยอย่างที่หวังตรงกันข้ามกลับเป็นผลร้ายเพราะแต่ก่อนพม่ามีสองกองทัพคือกองทัพฝ่ายเหนือของเนมยวสีหบดีและกองทัพฝ่ายใต้ของมังมหารทา แม่ทัพทั้งสองมีอำนาจอาญาสิทธ์เท่าๆกันไม่ขึ้นแก่กันเมื่อต่างฝ่ายต่างตีเข้ามาก็ทำงานกันได้ดีพอเข้ามาประชิดกรุงศรีอยุธยาเข้าก็เกิดการเกี่ยงแย่งแข่งดีความเป็นไปในระหว่างสองกองทัพไม่สู้เรียบร้อยนะักการที่มังมหา ร, ราชาแม่ทัพฝ่ายใต้มาตายลงเป็นทางให้เนมิลศรีหบดีมีอำนาจบัญชาการสิทธขาดแต่ผู้เดียว ซึ่งเป็นการเพิ่มพูมสมรรถภาพของกองทัพพมา่ายิ่งขึ้นในทันทีที่เป็นผู้บัญชาการศิทิขาดทั้งสองกองทัพเนมิวสีห บ, บดีก็สั่งให้กองทัพพมา่าเคลื่อนกระชับใกล้กำแพงกรุงศรีรัชยาเข้าไปอีกให้กองหน้าเข้ามาตั้งที่วัดภูเขาทองแล้วลุกเข้ามาถึงวัดท่าการ้องคราวนี้ทางกรุงก็รู้สึกว่าค่ายพมา่าที่วัดท่าการ้องนั้นสามารถจะเอาปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนครได้ จึงตกลงใจออกไปตีไข่พม่ า, มาโดยยกออกไปเป็นกองเรือไม่ปรากฏว่าใครเป็นนายทัพพระราชพงสาวดานเล่าไว้แต่เพียงว่ามีคนครังวิทยาคมคนหนึ่งชื่อนายเรกิกถือดาบสองมือรำไปข้างหน้าเรือลำหน้าเพราะกองทหารที่ยกไปครั้งนี้ยกไปเป็นกองเรือเมื่อผ่านที่แห่งหนึ่งพม่าเอาปืนยิงถูกนายเรกิกตกน้ากองเรือทั้งกองเรือก็พากันกลับหมด นีคือสภาพของการรบภายในกรุงศรีอยุธยาซึ่งไม่สามารถจะเอาไปเปรียบเทียบกับชาวบางละจันหรือการรบที่ปากน้าโยธกาได้ต่อไปนี้ทั้งสองฝ่ายก็เอาปืนใหญ่ตั้งยิงกันพมา่าอาศัยที่วัดทั้งนั้นวัดภูเขาทองวัดท่าการ้องวัดกระชายวัดพระผาชัยวัดเต่า ว, วัดสุเรนทร์วัดแดง ล้วนเป็นที่ตั้งค่ายและตั้งบืนใหญ่ของพมา่ทาทั้งเราออกไปสร้างค่ายกันพระนครที่วัดหน้าพระเมนที่พระเนียดที่วัดมณดบที่วัดพิชัยวัดเกาะแก้ววัดพุทไทยสวรรค์วัดชัยวัฒนารามรวมความว่าสมรภูมิที่ต่อสู้ระหว่างไทยกับพม่าครั้งนี้คือวัดและการรบในขั้นนี้เป็นการรบด้วยปืนใหญ่และเรื่องรบด้วยปืนใหญ่นี้เองที่ทําให้เราพ่ายแพ้เร็วขึ้น เพราะคนที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องปืนใหญ่นั้นหมดไปเสียแล้วคนพวกหนึ่งกลัวแก้วหูจะแตกใส่ดินดำแต่น้อยแล้วก็ยังร้องขอกันว่าให้ลดน้อยลงไปอีกพอยิงออกไปลูกก็ตกลงมาใกล้ๆส่วนอีกพวกหนึ่งใส่ดินมากเกินไปพอยิงได้นัดเดียวปืนก็ร้าวรานใช้การไม่ได้รวมความว่าผู้ที่มีความรู้ทางปืนใหญ่จริงๆนั้นเราไม่มี เรื่องสาคัญอีกประการหนึ่งคือพวกโฉมงามขวัญอ่อนที่อยู่ในวังไม่ชอบฟังเสียงปืนใหญ่เพราะทำให้เธอตกใจพวกนี้ก็ตั้งปัญหาว่าทำไมไม่เกณฑ์พวกไพร่ออกไปรบสู้ตีใครพม่ า, มาโดยไม่ต้องใช้ปืนใหญ่ยิงพวกไพร่จะไปตายสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่การใช้ปืนใหญ่ยิงนั้นทำให้เธอตกใจกลัวแก้วหูจะแตกเลยต้องตั้งกฎข้อบังคับขึ้นว่า ใครจะยิงปืนใหญ่ต่อสู้พมา่าจะต้องบอกเข้ามาที่ศาลาลูกขุนศาลาลูกขุนบอกเข้าไปข้างในพวกโฉมงามข้างในหาอะไรอุดหูเสียก่อนแล้วบอกออกมาว่าอุดหูเรียบร้อยแล้วจึงจะยิงปืนใหญ่ได้แต่มาวันหนึ่งเสียงปืนใหญ่ได้ดังขึ้นโดยไม่มีการบอกกล่าวมายังศาลาลูกขุนและพวกโฉมงามขวัญอ่อนตกใจขวัญหาย เพราะไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเสียงของแม่โฉมงามคนหนึ่งร้องว่าทุนกระหม่อมแก้วไอ้พวกไพร่มันยิงปืนอีกแล้วขุนหลวงที่เรือนรับสั่งให้หาตัวผู้ยิงทันทีเพราะบังอาจยิงปืนใหญ่โดยไม่บอกสาลาลูกขุนเป็นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับตำรวจวังไปเอาตัวผู้ยิงเข้ามาพเพอรญผู้ที่ยิงปืนนั้นเป็นพระยาตากสินคือสมเด็จ พ, พระเจ้ากรุงธนบุรีในภายหน้า มีการชำระโทษกันเพราะเป็นความผิดอุกชการมหันตโทษที่บังอาจยิงปืนให้โฉม ง, งามตัวโปรดของคุณหลวงขี้เรื้อนตัวสันขวัญหายพระยาตากสินให้การแก่เสนาบดีผู้ทำหน้าที่ชำระโทษว่าพม่ายกเข้ามาจะไม่ให้ผมยิงอย่างไรท่านเสนาบดีตอบว่าพม่ายกเข้ามาก็ยิงไม่ได้เพราะฝ่ายข้างในยังไม่ได้อุดหู พระยาตากศิลถามว่าแล้วจะให้ผมทำอย่างไรในเมื่อเห็นพม่ายกเข้ามาท่านเสนาบดีตอบว่าต้องบอกเข้ามายัางสาลาลูกขุนสาลาลูกขุนต้องกราบทูลเข้าไปข้างในข้างในบอกกราบออกมาว่าอุดหูเรียบร้อยแล้วจึงจะยิงพม่าได้พระยาตากศิลถามว่าถ้าทำอย่างนั้นพม่าก็เข้าถึงกำแพงเมืองท่านเสนาบดีตอบว่าก็จะทาอย่างไรได้ เป็นพระบรมราชาองค์การเพราะฝ่ายข้างในกลัวหูแตกพระยาตากศิลได้ฟังจึงถามว่าหูแตกกับกรุงแตกข้างไหนจะร้ายกว่ากันท่านเสนาบดีตอบว่าเจ้าขุนเข้าไปกราบบังคมทูลถามเอาเองสิแล้วอีกประการหนึ่งกระสุนดินดำเหลือน้อยเต็มทีพระยาตากศิน์ถามกลับไปว่าแล้วการที่ต้องบอกขออนุญาตเข้ามายัางสาราลูกขุนนะ่ะมันจะทาให้กระสุนดินดำมีมากขึ้นได้อย่างไร ท่านเสนาบดีตอบว่าก็เป็นทางที่เราจะประหยัดได้พระยาตากสินถามด้วยความสงสัยว่าประหยัดได้อย่างไรครับท่านเสนาบดีตอบว่าคือถ้าเห็นว่าไม่จำเป็นจะยิงก็ไม่ให้ยิงพระยาตากสินถามว่าแล้วใครจะเป็นคนตัดสินว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นคนที่อยู่ข้างในนี้ไม่เห็นเหตุการณ์จะตัดสินอย่างไรได้ท่านเสนาบดีกล่าวย้าว่า กระสุนดินดำของเราเหลือน้อยจริงๆพญาตักสินพูดว่าถ้าเป็นเรื่องที่กระสุนดินดำเหลือน้อยก็ต้องวางกำหนดกฎเกณฑ์เสียให้แน่นอนว่าต้องเป็นด้านไหนพม่ายกเข้ามาเท่าไหร่ยกเข้ามาถึงไหนจึงจะยิงได้เราจะได้ปฏิบัติถูกและจะประหยัดกระสุนดินดำได้แต่วิธีที่ขออนุญาตเข้ามาก่อนผมไม่เห็นทางจะประหยัดกระสุนดินดำได้อย่างไรในที่สุดท่านเสนาบาดีก็ยอมรับว่า เปล่าเนื้อแท้ของเรื่องที่ให้บอกเข้ามายัางศาลาลูกขุนก่อนก็เป็นเรื่องทางฝ่ายในตกใจเท่านั้นพระยาตักสินได้ฟังก็ถามว่าแล้วเราจะสู้ศึกไปอย่างไรได้ท่านเสนาบดีตอบว่าผมก็ไม่รู้แต่นี่เป็นพระบรมบราชโองการแล้วก็พิพากษาโทษพระยาตักสินว่ามีความผิดแต่โดยเหตุที่เคยทำความดีความชอบมาแต่การก่อนจึงให้ภาคทันยกโทษไว้ แต่กำชับให้ระมัดระวังอย่าทำผิดกฎข้อบังคับอย่างนี้อีกต่อไปเรื่องกฎเกณฑ์ให้แจ้งสาราลูกขุนและการชำระโทษพระยาตากสินนี้ดูเป็นเรื่องโงเ่เขลาเลวไหลก็จริงอยู่แต่มีผลสำคัญมากในประวัติศาสตร์ของชาติไทยดูประหนึ่งว่าเทพเจ้าผู้อภิบาลรักษาประเทศชาติได้บรรดาให้เหตุการณ์ชนิดนี้บังเกิดขึ้นเพราะเมื่อได้ประสบเหตุการณ์อันนี้แล้วพระยาตากศินก็แลเห็นว่า หมดหวังที่จะต่อสู้พมา่าในกรุงศรีอยุธยาต่อไปหาทางกู้บ้านกู้เมืองโดยวิธีอื่นดีกว่าจึงได้ตกลงใจออกจากกรุงศรีอยุธยาและพิจารณาเห็นว่าผู้คนและบ้านเมืองที่ยังไม่บอบช้ำรัษฎรยังไม่แตกฉานสั้นเซนยังสามารถรวบรวมกำลังผู้คนมาสู้พมา่าได้คือทางนครนายกตราจีนฉะเชิงเซาชนบุรีบางละมุงจันทบุรีตราด จึงได้ส่งมุ่งหน้าไปยังเมืองเหล่านี้เจ้านายผู้หญิงพระองค์หนึ่งผู้ได้ทรงเห็นเหตุการณ์ในสมัยทนบุรีด้วยพระองค์เองทรงพระนามว่ากร ม, มหลวงนรินทระเทวีได้ทรงจดหมายเหตุความจําไว้ว่าประจุ ป, ปืนทุกหน้าที่มิให้ยิงสู้ฆ่าศึกแผดดินต้นคือสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีอยู่ที่หน้าวัดแก้วได้ยิงสู้พม่าครั้งหนึ่งต้องฆาดโทษมิให้ยิง ให้แจ้งศาลาก่อนแผดดินต้นหนีออกจากเมืองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชนิพผลไว้ว่าเจ้านายและผู้ดีก็พากันสวิงสวายกลัวอะไรต่ออะไรตั้งแต่ฟ้าร้องเป็นต้นไปเรื่องที่เล่าต่อไปถึงจะยิงปืนต้องบอกศาลามีในที่อื่นคล้ายกันเช่นจดหมายหลวงอุดม และมีคำเล่าถึงเรื่องหม่อมเพงหม่อมแมนซึ่งเป็นคนขวัญอ่อนกลัวปืนต่อไปนี้ก็ถึงสงครามขั้นสุดท้ายพอน้าเริ่มลดก็เป็นที่คาดหมายแน่นอนว่ากรุงจะต้องแตกอันที่จริงได้คาดหมายกันมานานแล้วเมื่อพมา่าไม่กลับในฤดูฝนก็รู้แน่กันว่ากรุงจะต้องแตกในครั้งนี้แต่ทั้งทั้งที่รู้ก็ไม่ทาอะไรนอนรอเวลาตายกันอยู่ ยังมีหวังอยู่อีกประการหนึ่งคือยอมแพ้พมา่าเสียเขาจะเอาอะไรก็ออกไปไทยยอมเป็นเมืองขึ้นเขาสมเด็จพระสุริยาดอมรินจะต้องมีฐานะเป็นเจ้าประเทศราชของพมา่าก็ตามทีขอให้ได้ครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ก็แล้วกันทุกคนคาดหมายว่าการสูญเสียกรุงศรีอยุธยานั้นใกล้เข้ามาทุกทีชาวจีนซึ่งมาช่วยรบในชั้นต้นก็กลับกระทาร้ายจีนประมาณสามร้อยคน พากันขึ้นไปพระพุทธบาทลอกทองคาที่หุ้มพระมนดบน้อยเอาแผ่นเงินที่ดาดพื้นพระมนดบใหญ่ไปเสียและเอาไฟเผาพระมนดบพระพุทธบาทเสียด้วยต่อมาไม่ช้าพม่า ก, ก็ตี่ายไทยที่พระเนียดได้แล้วตั้งมั่นอยู่ในวัดต่างๆวัดกุดีแดงวัดสามพิหารวัดกระโจมวัดศรีโพวัดนางชีวัดแม่นางปื้มวัดมนดลบล้วนเป็นฐานทัพของพมา่า ปลูกหอรบเอาปืนใหญ่ตั้งจังกายิงเข้าไปในพระนครพวกเท้านางขวัญอ่อนไม่รู้จะให้ลงโทษใครเพราะไม่ใช่ไทยยิงเป็นพม่ายิงในเวลาเดียว ก, กันกับที่เอาปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนครก็ส่งกองทัพออกตีค่ายต่างๆของไทยและตีได้หมดทุกค่ายในวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ําปีจอตรงกับปีพุทธศักราช 2,309 เวลากลางคืนเกิดเพลิงไหม้ใหญ่ในพระนครตั้งแต่ท่าทรายริมกำแพงด้านเหนือลุกลามมาทางประตูเข้าเปลือกแล้วไฟข้ามมาติดบ้านเรือนแขวงป่ามะพร้าวตลอดไปถึงแขวงป่าโทนป่าทานป่าตองป่ายาไม่วัดมหาธาตุวัดราชบุรณะไปจนวัดฉัดทันกุดีวิหารบ้านเรือนถูกทำลายด้วยอัคคีภัยคราวนี้กว่าหมื่นหลัง ตั้งแต่เป็นกรุงศรีอยุทยามายังไม่เคยเคราะห์ร้ายเท่าคราวนี้แม้ก่อนที่พมา่าจะเข้าเมืองได้ความสูญเสียก็มีขึ้นแล้วเป็นอเนกประการสมเด็จพระสุรยิย่าอมรินทร์เหลืออีกประตูเดียวคือยอมแพ้พมา่าได้ส่งทูตออกไปเจราจาขอเลิกรบโดยจะยอมเป็นเมืองขึ้นของพมา่าแต่พมา่าก็ไม่ยอมการที่ไม่ยอมก็เพราะกองทัพพมา่าที่ยกมาคราวนี้ไม่ใช่ทัพกษัตริย์และไม่ได้รบอย่างกษัตริย์ แต่เป็นโจนปรปล้นความมุ่งหมายของพม่ามีอยู่อย่างเดียวคือปล้นให้ถึงที่สุดพาม่าได้พยายามส่งกองทหารเข้าปล้นเมืองหลายครั้งแต่ในตอนหลังนี้ไทยต่อสู้แข็งแรงขึ้นกองปล้นของพาม่าต้องถอยไปจนพาม่าต้องหยุดการปล้นไปชั่วคราวจนต้องล้อมกรุงมั่นไว้จนกระทั่งแน่ใจว่าภายในกรุงอดอยากและสํารสายเต็มทีแล้วจึงเริ่มทาสะพานเชือกข้ามน้าตรงหัวรอ ข้างมุมเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลำน้ำที่แคบกว่าแห่งอื่นทางเรายกออกไปฆ่าฟันพม่าที่ทําสะพานล้มตายบ้างแต่ยกออกไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ยอมออกไปอีกพม่าทําเสร็จก็ค่ามาตั้งค่ายที่สาลาดินนอกเมืองขุดอุโมงค์เดินเข้ามาจนถึงกาแพงเมืองขนเอาฟืนมากองใส่ใต้รากกาแพงเมืองเพื่อเอาไฟสูงกาแพงเมืองให้สุดลงทางเราไม่ทาอะไร นอนรอเวลาตายรอเวลาที่พม่าจะมาเชือดคอความขาดแคลนอดอยากก็มีมากขึ้นทุกทีรัษดรที่จงรักพักดีต่อเจ้านายยอมตายมาให้มากแล้วครั้นเห็นว่าเจ้านายเองก็ไม่ทำอะไรก็จำเป็นต้องออกไปหาที่รอดตายบ้างมีคนเป็นอันมากที่ปีนกาแพงหนีไปได้แสดงว่าหนทางที่จะหนีออกก็ยังมีเหมือนกันแต่ก็ยังมีคนเหลืออยู่ในเมืองอีกเป็นอันมาก พอถึงวันอังคารขึ้นเก้าข้ามเดือนห้าซึ่งเป็นวันเนาสงกรานสงกรานที่เรานับถือเป็นนักขัดเลิกยิ่งใหญ่เป็นวันที่เรามีงานเลื่นเริงสนุกสนานร้องรำทําเพลงถึงกับเล่นสาดน้ํากันอันที่จริงวันสําคัญวันนั้นเป็นของพมา่าเนเมียวสีหบดีแม่ทพม่าได้ถือเอาวันนั้นเป็นวันโชควันชัยของเขาและเขาจะต้องตีกรุงศรีอยุธยาในวันนั้นให้จงได้ พอบ่ายสามโมงพม่าก็จุดไฟสุ่มรากกำแพงเมืองตรงหัวรอที่ริมป้อมมหาชัยและยิงปืนใหญ่ระดมเข้าไปในพระนครในช่วงเวลาที่ถูกเพลิงเผากำแพงเมืองก็สุดลงพอสองทุ่มในเวลาค่ําพม่าก็ยิงปืนสัญญาให้ไพร่พลเอาบันไดาพาดปีนเข้าตรงที่กำแพงเมืองสุดเมื่อเข้าไปในเมืองได้ก็ไปเที่ยวเปิดประตูรับทหารพมา่าเข้าทางอื่นทุกๆุกด้าน กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าในวันนั้นวันสงกรานต์แทนที่จะเป็นวันรื่นเริงสนุกสนานควรจะเป็นวันไว้ทุกข์ของพวกเราถ้าเราจะทําบุญสุนทานกันในวันนั้นก็ควรจะทําเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้แก่ชาวไทยที่เสียชีวิตไปในการศึกครั้งนี้แผ่ให้แต่เฉพาะพวกที่ตายด้วยความกล้าหาญด้วยความเสียสละด้วยความรักชาติบ้านเมืองไม่ใช่แผ่ให้แก่พวกที่หนีทัพหรือพวกที่ไม่ทําอะไรนอนรอเวลาตาย พวกที่มุ่งคอยแต่จะใช้ให้คนที่เขาเรียกว่าพวกไพร่ไปตายแทนพวกเขาคนพวกนี้เขามีบุญกุศลมากอยู่แล้วเราไม่ต้องแผ่ไปให้อีกโดยเหตุที่พมา่าเข้าเมืองได้ในเวลากลางคืนความโกลาหลชุลมุนวุ่นวายจึงมีขึ้นในกรุงอย่างสุดที่จะพรรณน า, นาพมา่าเที่ยวฆ่าคนและเก็บทรัพย์แสงสว่างที่เขาใช้ในการวิ่งฆ่าคนและเก็บทรัพย์นั้นก็ไม่ยากเพราะเมื่อเข้ามาถึง เขาก็จุดไฟเผาบ้านเรือนของชาวเมืองเผาจนกระทั่งปราสาทราชมเทียนคนไทยถูกพมา่าจับได้ราวสา0 0 0ื่นคนส่วนองค์สมเด็จพระสุรยิยอาอมรินนั้นหนีลงเรือน้อยไปกับมหาดเล็กสองคนไปซ่อนพระองค์อยู่ในสุ้มทุ่งพุ่มไม้ใกล้บ้านจิกข้างวัดสังควาสบรรดาผู้คนที่พมา่าจับไปได้เอาไปกักไว้ที่ค่ายโพสามต้นแล้วพมา่าก็เที่ยวตรวจเก็บทรัพย์สมบัติทั้งของหลวงของราษฎรและของพระศาสนา องค์พระพุทธรูปก็ไม่พ้นที่จะเดือดร้อนเพราะพระสีสันเพชรซึ่งมีทองคําหุ้มทั้งพระองค์นั้นถูกพมา่าเอาไฟสุมให้ทองละลายแล้วก็เอาทองไปเรื่องหนึ่งซึ่งเสียชื่อชาติไทยและมีได้ทุกครั้งที่เราพ่ายแพ้สงครามคือความทรยศของคนที่หวังความเป็นใหญ่หรือความมั่งคัง่งหรือต้องการเอาตัวรอดที่เข้าฝักไฟกับผู้ชนะทาตนเป็นคนรักสงบไม่เป็นศัตรูกับข้าสึก แล้วก็ก่อกรรมทำร้ายแก่เพื่อนร่วมชาติของตนเองเพื่อเอาหน้าเอาตาเอาความดีความชอบจากผู้ชนะในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้เราก็มีคนชนิดนั้นมากคนที่หาประโยชน์โดยทางบอกที่ซ่อนทรัพย์ของเพื่อนร่วมชาติให้พมา่าไปขุดเอาเรื่องที่น่าสลดใจอย่างใหญ่ยิ่งก็คือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงทาการกู้ชาติรวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นเป็นปึกแผ่นแล้วทรงตั้งพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งเคยทรงนับถือมาช้านานเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกของกรุงธนบุรีมีนามเดิมว่าพระอาจารย์ดีต่อมาปรากฏมีพยานหลักฐานว่าพระอาจารย์ดีองค์นี้เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าแล้วทั้งๆที่ยังเป็นสมณะอยู่ได้หากินกับพมา่าโดยวิธีบอกที่ซ่อนซับของคนไทยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจำต้องถอดจากตําแหน่งสังฆราชปรากฏในรายการของพมา่า ว่าในชัยชนะครั้งนี้นอกจากจะได้ทรัพย์สมบัติเงินทองไปมากหลายแล้วพม่ายังกวาดต้อนคนไทยไปได้กว่าส 0,000 ื่นคนได้ปืนใหญ่ไป 1,200 กระบอกและปืนเล็กหลายหมื่นกระบอกน่าเสียดายปืนใหญ่ 1,200 กระบอกไม่ทําประโยชน์อะไรถ้าชาวบางลาจานมีเพียงสิบกระบอกเขาจะใช้เป็นประโยชน์ได้มากส่วนสมเด็จพระสุรยิยอาอมรินหรือที่รัษฎรเรียกพระนามอย่างเหมาะสมว่าขุนหลวงที่เรือนนั้น เมื่อเข้าไปซ่อนพระองค์อยู่ในสุมทุมพุ่มไม้ที่บ้านจิกแล้วก็ไม่ยอมออกจากสุมทุมพุ่มไม้นั้นอีกต่อไปมหาดเล็กสองคนที่ตามเสด็จไปด้วยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปด้วยทําไมแย่งแผดดินเ้าะครองแล้วก็ไม่เคยทำประโยชน์อะไรมหาดเล็กทั้งสองคนจึงตกลงใจหนีปล่อยให้คุณหลวงขี้เรื้อนครองอาณาจักรสุมทุมพุ่มไม้นั้นอยู่แต่พระองค์เดียวแล้วก็อยู่จริงๆไม่ออกไปไหน ไม่กล้าย่างออกจากสมทุมพุ่มไม้แม้ในเวลาค่ำคืนหรือเวลาดึกดืนถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นก็อาจจะเล็ดลอดออกเดินทางไปแสวงหาโชคหรือกำลังที่จะกู้บ้านกู้เมืองต่อไปแต่นี่ไม่ไปไหนทนอดข้าวอยู่ได้ถึงสิบวันหิวโหวยเท่าไหร่ก็ไม่ออกจากสมทุมพุ่มไม้คอยหาคนที่จงรักภักดีมาช่วยก็ไม่มีใครมา เมื่อไม่มีพระกยาหารจะเสวยเป็นเวลาหลายวันเข้าก็เกิดอาการประชวนพมา่าไปพบเข้าเมื่อสิบวันภายหลังเชิญพระองค์มาก็เสด็จสวรรคตสมเด็จพระสุริยาอาอมรินทร์ทรงสร้างประวัติที่แปลกประหลาดไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดเหมือนในโลกนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องของสมเด็จพระสุริยาอาอมรินทร์และมีใครมาบอกเราว่ามีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งอดตายเราก็คงจะไม่เชื่อแต่มีจริงๆ คือขุนหลวงขี้เรื้อนพระองค์นี้ราชวงศ์บ้านพลูหลวงได้รับราชาอาณาจักรมาจากสมเด็จพระนารายมหาราชในขณะที่กำลังรุ่งโรธและมีแผนการสร้างอนาคตอย่างยิ่งใหญ่แต่กษัตริย์วงบ้านพลูหลวงได้ทำลายเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งทำลายกรุงศรีอยุธยาเองวันอังคารขึ้น9ก้าข้ามเดือนหปีกุลพุทธศักราช23สิ เป็นวันที่ ล, ลึกอันโหดร้ายสำหรับชาติไทยเป็นวันนาวสงกรานเราควรจะเกลียดวันสงกรานอย่างเหลือเกินแต่เราก็ลืมง่ายเพราะเราเป็นชาติที่เจ็บแล้วไม่จำมาจนถึงเวลานี้เราก็ยังเชิดชูวันสงกรานเป็นวันรื่นเริงอย่างสาคัญของเราอยู่กรุงศรีอยุธยาซึ่งได้ตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองเมื่อพุทธศักราช1893 มาสิ้นศูญลงในมือของคุณหลวงขี้เรื้อนภายหลังที่ดำรงมาได้417สิเจดปีการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของคนทั่วไปแต่อยู่ในความรับผิดชอบของราชวงศ์บ้านพลูหลวงโดยเฉพาะคำสาปแช่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ผลร้ายเป็นอันมากส่วนหลวงจบไกลแดนกับนิ่มหนวนนั้นภายหลังที่กรมมื่นเทพพิพิธหนีไปแล้ว ก็ได้ไปอยู่ที่ชนบุรีกับนายทองอยู่น้อยและได้สมัครเข้าทำงานกู้ชาติภายใต้บังคับบัญชาของสมเด็จ พ, พระเจ้ากรุงทนบุรีต่อไปจบเรื่องกรุงแตกของพลตรีหลวงวิจิตวรวัฒการ